นงางกันให้สบายนะท่าให้สบายสุดๆเลยนะสบายสุดก็ต้องยืดกันไหมฮ <laughs> ่าฮ่เออยังดียังมีบากช่วยนะฉันนั่งก้ามันจะเจ็บเข่าเจ็บกระตุ่มกันใช่ไหมค่อยตั้งทนได้หน่อยฟังฟังสุกของใจนะเอเราจะได้ฟังได้ฟัม เข้าใจง่ายวันนี้ก็ตรงกับวันอาชิตย์ทงย่งเย็นสรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมตรงกับวันที่24ตุลาคม2547เวลาที่ผ่านมา ก็นักว่าเดินมันยาวนานแต่จริงๆเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันผ่านไปชัว่วขณะแั๊บเดียวแป๊บเดียวเดียวทั้งทั้งชีวิตเราผ่านอายุมาก็หลายสิบปีถ้าจจะย้อนไปคิดแล้วก็คงคิดไม่หมดสิ่งที่เคยเห็นก็มากมายสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังก็เยอะแยะสิ่งที่เคยสัมผัสเกิดจํามาก็สุดจะพรลลนาว่าจําอะไรมาบ้าง ถ้าไม่เกิดตามทราบใจไม่ทราบใจตักเยอะเลยจะเราไม่รู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีมาในการก่อนสุขก็ผ่านมาแล้วทุกข์กับผ่านมาแล้วข้อชมกับผ่านมาแล้วข้อด่าก็เจอมาแล้วได้ลาบ ก, ก่อนเจอมาแล้วเสื่อมลาบ ก, ก็มีมาแล้วรักษาบรดาิตก็เคยได้มาแล้วเสื่อมไปก่อนแล้วก็มี ใล้เากระทำอย่างนี้เราผ่านมาแล้วจะน ằm นั่งอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับแป๊บเดียวที่ผ่านไปกายจะมีความฝันได้เหมือนกับสิ่งที่มันว่างเปล่าไปแล้วไม่มีอะไรจะเหลือจับแตะต้องไม่ได้เราจะย้อนเอามาเพื่อคุ้นคิดเพื่อให้เกิดสิ่งอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์ทางสิ้นเพียงแต่เรา จ, จะย้อนเพียแค่คิดว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเราพลาดผิดพลาดอะไร มากกว่าที่จะคิดถึงเสิ่งนั้นในความยินดีได้มีร้ายเพราะถ้าเราไปนึกย้อนกลับในอดีตจับออกมาเป็รมณ์มันก็มีเรื่องที่เราไม่ยินดีเยอะถ้าถาลาเไปเดินของสกปรกขึ้นมาใหม่มันนั่งคุยเขีย่ยและวระดมกลิ่นของเม็นเหม็นใหม่พอเราเริ่มรู้สึกรู้ตัวเราก็จมมันทิ้งไป เราเยอะๆใดๆก็ไปเนตถึงกันขึ้นมาใหม่แล้วจะหยิดขึ้นมาเคียรใหม่เคียรของสกปรกใหม่แล้วก็ต้องกลิ่นเหม็นโชยก็รู้สึกว่าไม่ดีเขย่งทิ้งไปใหม่มันจะมีประโยชน์อะไรในอดีตที่ผ่านมาแล้วที่จะตามไปเนตถึงดึงมันขึ้นมาก็จะคิดให้ควรให้มันจะอารมณ์เป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่พึงปรานณาในสิ่งที่ทํำให้เราเศอ้ามองไม่พึงพอใจ แต่สิ่งที่เราจุดสิ่งที่ทำให้เรามีความพึงพอใจสมความปัจฉนาทีนั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วดับไปแล้วเดินขึ้นมาก็ได้แต่นึกถึงเทวสเหมือนก็มีความเอ็นอกออ็นใจก็คตรชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาัญญาก็ไม่ได้เกิดขึ้นบิดประเดนนั่นสิ่งที่เรียกว่าอาดีต เดิมเมันว่ามราร้ยประโยชน์ในสาระไม่มีแก่นไม่มีสามถ้าพูดถึงว่าอาดีตมันก็คือชีวิตจริงที่เราผ่านมาแล้วทั้งหมดถ้ามองไปตัวอนาคตคือชีวิตจริงที่เราต้องเจอเจอมันต่อไปในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็เป็นชีวิตจริงที่เราเจออยู่แต่เบื้องสุดท้ายของมันมันก็คือตอกลงไปในความไม่มีอะไรเหลือเลย แต่เราจะจําก็ขุดมาจําตั้งแต่อดีตขุดมากกขีดเพราะขีดสรากระเด็งขึ้นมาดึงขึ้นมาด่าดึงขึ้นมาว่าดึงให้เกิดความน้อยเนื้อต่าใจดึงให้เกิดความเสียใจถามว่ามันจะเกิดอะไรดีขึ้นนอกจากสร้างอารมณ์ที่เราเคยเป็นอยู่ในความเศร้าหมองแล้วก็กลับมาเศร้าหมองใหม่นมังหมายถึงชีวิตที่เราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรคืบหน้าในการ เราพึ่งปฏิบัติของใจเราอเาสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสสิ่งที่ผ่านมาแล้วจะตามเลืกถึงโดยเฉพาะสิ่งที่ทําให้เราเศร้าหมองสิ่งที่เราจดาำในเรื่องไม่ดีอย่าตามเลืกถึงมันอีกเลยอย่าเอามาเป็นเหตุเป็นผลอย่ามาคุย้ยเขี่ยให้ส่งจินเหม็นกับตัวเราเพราะมันไม่สร้างสภาพใจของเรานั้นเป็นสุขมีปัญญาจะกลับน้อมนามำตาม เศ้าหมองในสิ่งที่มันเคยเป็นมากลับมาสู่อารมณ์ปัจจุบันใหม่ถ้าผู้ที่ฉลาดเขาไม่ตามนึกถึงแล้วสิ่งที่ปิดภาพไปแล้วตามชั่วทั้งหลายที่ทํำมาไม่ว่าเคยฆ่าตัดจะเคยฆ่ามาแล้วเคยรักทรักก็เคยทํามาแล้วเคยถิดลูก ป, ปิดเมียคนเองก็ทํามาแล้วเคยโกหกมั่วเจ๊กทามาแล้วเดิ่มสุาเมลัยเราก็ทํามาแล้วเคยเจอเรื่องที่ถูกเสีเยแทงทจิตใจ เอาเปรียนอารักเอาเปรีย่ยนเราก็เคยเจอมาแล้วเจอเรื่ที่สะเทือนใจในความคาดคาจากสิ่งที่เรารักทำให้เร า, าเป็นทุกขเราก็เจอมาแล้วแล้วเคยเจ็บปวอ เ, เข้าม่สบายเราก็เจอมาแล้วาตายก็เจอมาแล้วเจอมาทั้งหมดนสิ่งที่เป็นปัจจุบันก็คือสิ่งที่เคยเจอมาแล้วทั้งหมดในอดีตนับชาด้วยหลังไปสี่พบที่ชาดมันก็คือโลกประธรรมเหมือนกันหมด เพียงจำมันตกตรงแต่งไป ต, ตามภาพประทัดสถาน ก, การณ์หรืเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไปตามวิบากของกรรมแต่ละครั้งแต่ละผมว่าเรได้เกิดเป็นมนุษย์มีรูปสมน ม, มพันธุ์อย่างไรจป็นหญิงหรือว่าเป็นชายได้จะเกิดเป็นตัดไปในสารประเภทนั้นประเภทนี้ตัดประเภทนั้นประเภ ท, เทอย่างนี้แต่พบเจอดายในสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้เจอดจอในสิ่งที่เราถูกใจเรานับว่ามากจนจําอะไรไม่หวัดไม่ไหว ดังสัญญาต่างๆที่เป็นนำมาเป็นความเศร้าหมององค์เดชพระกินวามรา ม, ม า, าศตาสดาจึงทรงสั่ให้ละทิ้งเปียอย่าเอามารู้อื้นอย่าเอามาคิดอย่าเอามาคำนึงโหยหาขอให้มันเกิดแล้วก็ดับไปมันเป็นเรื่องความเป็นธรรมดาอยู่แล้วจะปัจจุบันอารมณ์นีสิ แต่จะทรงไว้เพื่อความสงบใจเราได้ไหมในสิ่งที่เราปรารถนาซึ่งพระนิพพานเป็นที่ไปปัญญาของเรายังไม่ไปไหนจิตเราจะสงบลงไปก็ยังทําไม่ได้แต่สิ่งที่จะละความผูกพันใดๆละสิ่งที่ดึงลั้งจิตใจของเราให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดมันจะเกิดขึ้นมาได้ฉันไหนดังนั้นปัจจุบันอารมณ์ของใจเราเราจึงเตือนตัวเองเสมอว่าเราต้องสงบนิ่งหยุด ตามคิดที่ตามนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่ต้องเ็กึกถึงในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าเพราะเบื้องหน้ามันก็คือสิ่งที่ต้องเป็นไปในอดีตในวันข้างหน้าเหมือนกันหมายความว่าอะไรหมายว่าสิ่งที่เป็นเบื้องหน้ามันก็คือโลกธรรมตั้งแต่ประกุบันที่เราต้องพบจะเกิดเตยแล้วก็จะพบในผลแห่งวิบากกรรมที่เราเคยพลาดไปในศีล ที่ทำลายสินไปในตัวของเราเองเยอะยองส่งเสริมให้คนอื่นทำลายสินยินดีไม่เห็นคนอื่นทำลายสินมันก็จะต้องเกิดผลต่อเราในเบื้องหน้าวันอย่างค่ำจนปลายชีวิตจะดับสิ้นไปนั้นทิ้งที่ผ่านมาก็เป็นเพราะเหตุเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นเบ้างหน้ามันก็มาจากเหตุเดียวกันแต่ปัจจุบันเราอะรู้แล้วว่าเราไม่หวังผล เรื่งมีความพอใจที่จะเป็นมนุษย์อีกไม่สนใจสิ่งที่เป็นอยู่ในความเป็นมนุษย์จะสุขแค่ไหนจะดีแค่ไหนเราหวังผลแห่งการที่ตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเท่านั้นผลแค่นี้ยพอไหมสําหรับเราที่จะยั้งใจให้หยุดเหมือนกับเรามีควายสักตัวหนึ่งแล้วก็ใส่สไครต์จมูกมันได้เชื่อ ถ้ามันกินอาหารที่ในขอบเขตที่ไม่เป็นโทษเราก็ไม่กระตุกมันแต่มันเริ่มก้าวเท้าไปทําลายอาหารชะบ้านที่ทําให้เราต้องเดือดร้อนแล้วก็เบ่งมันเข้ามากระชากมันกลับมานั่นหมายความว่าเราต้องมีสติจดจ้องอยู่เสมอใช่ไหมและต้องคอยระมัดระวังในความเป็นควายที่มันจะหันไปกินในสิ่งที่เป็นโทษแก็ทําให้เราต้องทุกข์จริงไหมนั้นสติเราก็เหมือนกัน อย่าได้ทั้งเผอหลงเล่นสติว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่าตามนึกถึงสิ่งที่เป็นอดีตที่นาํามาซึ่งความเศร้าหมองอย่าไปคิดถึงมันอย่าเอามาเป็นสาระเป็นอารมณ์มันแก้ไข อ, อะไรไม่ได้นั่นจะเป็นความโง่ของเราในอดีตถ้าเราไม่โง่เราก็ไม่ฟุกแ้่แ ต, ตจเดือนเราจะโง่ซ้ำซากซ้ำไปโศดสิ่งที่เคยโง่ามาแล้วเราต้องกระตุกมันกลับ ให้มันไม่ใส่ขึ้นแล้วมันยากอยู่เพราะสติสัสมปชัญญะเรายังไม่เพียงพอปัญญาเรายังไม่เฉียบคมที่จะปะหารประหารสิ่งที่องค์สัจทะพิจิจะมาบรบมาศสสดาทรงสั่งสอนคือยักยั้งนิสติยยักยั้งหยุดดึงมันกลับก่อนถ้าควายก็ต้องย่อยอมันไว้ไม่ส้ยอให้มันทายอยมันหยุด แล้วมันมันหยุดตั้งมันก็จะหันมามองดูเราว่าจะเอายังไงกันแล้วก็บอกมันว่าจินตรงนี้นี่ไม่มีโทษนี่ไม่เดือดร้อนแตเราก็เหมือนกันเมื่อเราหยุดมันได้เดินมันกลับมันก็บอกคิดอย่างนี้สิถ้าไม่ไม่คิดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพราะความตายมันเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ไม่คิดความเปลี่ยนในข้อนี้ เราจะตายเดี๋ยวนี้อยู่แล้วทำไมไม่คิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่ผ่านมาเราไม่เห็นเราได้อะไรเลยนอกจาความบ้างเปล่าแล้วเราจะหวังอะไรจะอนาคตที่ต้องเป็นไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิบากแห่งกรรมที่ได้กระทำมาจนไปจะหมดลมหายใจมันก็ตกอยู่ในความบ้างเปล่าก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่นั่นเอง ใจเราตอนนี้เรามีกําลังใจที่จะมีหวนกลับมามีร่างกายใหม่แล้จึงมุกมานะที่จะฝึกฝนจิตใจของเราให้มันรู้จักสงบจิตเป็นให้รู้จักคิดพิจารณายอมรับนับถือความเป็นธรรมดาได้เป็นและก็มองสิ่งนั้นไม่มีสาระแข็งสารเป็นเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องไม่มีแก่นไม่มีสาร แต่เราค่อยๆคิดพิจารณาให้มันเลกตะเอียดลงไปแล้วก็เห็นว่าสิ่งอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราเราบังคับมันไม่ได้เส็มมันไม่ได้ก็ปราบประโยชน์ที่เราจะเอาใจไปคิดถึงป่วงหาอะไรอาวรณ์ลำพึงลำพันกับมันสิ่งที่เราเสนได้บังคับได้ก็มือจัิุของเราที่เราเืนมันได้เหมือนกับควายเรายอมันได้ กระท่ามันกลับได้จิตเรามันที่จะงอเงาเต่าตนเพียงใดมันจะรู้ไม่ครบแค่ไหนแต่เราก็ยังมีส ต, ติเตือนตนเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นไปมันจะสร้างโทษจะดึงมันกลับมาเห็นไหมมาคับได้ไหมละใจเ่ะแต่เราบังคับได้เราบังคับใจตัวืองให้กลับเนี่ยมันยากในขณะที่กําลังคิดในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเราจะบอกอย่าคิดอย่านึกหยุดใจเดี๋ยวนี้ สำเร็จไหมไม่สําเร็จเราทาไม่สําเร็จนะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเรานี่เราฝืนได้เราบังคับได้ถูกไหมเราสามารถจะจัดการกับตัวเราเองได้ทิ้งมันจะเป็นการกดขยําย่ำยีถ้ามันเป็นมีชีวิตกับทบตีดัดยั้งไม่ให้มันทําอะไรในสิ่งที่เป็นโทษ แล้วคงลงมือลงไม้ทำํำไปแล้วจริงไหมแต่นี่มันเป็นนา ม, มาทํามันจะ ต, ต้องไม่ได้ในจัตุริย์ที่อย่างเดียวคือการกดมาได้ความคิปกดมาได้ความตั้งใจมันเอานา ม, มาทํากับ น, นา ม, มาทํมมาข่มกันเองเอาตัวรู้ที่เรารู้อยู่ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแล้วจะหยุดมันซะมันเผหลุดไปอีก เดิงกลับไปอีกมันนี้ลับไปอีกเดิงกลับมาอีกใหม่ๆ ม, มันก็รู้สึกความเป็นตามพยายามอย่า ง, ย, างยิ่งต้องอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต้องเพียรมากไหมมาต้องใจจัดใจจอดหน่อยไหมแน่นอนต้องทำแต่ตอนนานๆไปมาเริ่มคล้องตัวมาเริ่มชินที น, นี้ไม่ต้องกระตุกเฮ้ย hey! หยุดมันหยุดไม่ต้องใช้เชือกมันชักตางเรา เพเสียงของเรามันเคยมีอำนาจพร้อมกับมือที่กระตุกสายมันเจ็บจบูกมันหลังลพอนานๆข้ามมันเจ็หนักๆเข้ามาถ้าจะเคล็ดล่าพอเราเสียงตะกวนก็ตักมันหันหลังกลับที่ดีขึ้นหน่อยไหมจิตใจเราก็เหมือนกันเมื่อใหม่ๆก็ต้องพยายามที่จะดึงมันกลับให้เร็วที่สุดเดี๋ยมันเผลอมันไปอีกเป็นกะเผลอไปดึงกัะ ยังไงแต่จะเบือเบื่อแต่ก็เพื่อตัวเรามันลราคอยจึงคอยเลี้ยงควายตัวหนึ่งไม่ให้มันไปกินข้าวชาบ้านเดี๋ยวมันไปอีกนะเดี๋ยวมันไปอีกนะแล้วก็เบื่อกลายเป็นภาระหน้าจิตไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นจะไปกินไปีขี้ก็ต้องคอยระวังมันไปกินข้าวชาบ้านข้อนี้ฉันใดก็เหมือนกันไอ้จิตของเราที่มันคอย ค, อยคิด หวนหาในสิ่งที่ผ่านมาแล้วจึงสัญญาต่เก่าๆมานั่งคิดให้เศร้าหมองถ้าเราพยายามที่จะกระจกมันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มจะขยากเพราะเมือ่อเราดุเขารามเขา น, นักเข้าเขาก็เริ่มที่จะหยุดใจที่จะไม่คิดทำอีกทีนี้มันก็ง่ายพอเรามันไกลๆเราปล่อยควายไปไ ด, ได้แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเสือเชื่อ อำใการเหน็ดเหนื่อยของเราน้อยลงไปเอาแค่เสียงก็เราตะโกนให้มันได้ยินก็เป็นอันว่ายใช้ได้มันจะหยุดย่อมึงหยุดมันหยุดแล้วกลับมานี่มันจะเดินกลับแล้วทีนี้ง่ายขึ้นหน่อยพอนมันได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มันทําเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะต้องถูกตีมันเป็นทุกข์เดือดร้อนและสิ่งที่ควรคิดจะทํานมันมีความสุขดีกว่า เจ็ตมันเริ่มเข้าใจความจริงได้มัอนอย่างที่เรารู้อันนี้มันไม่ไปแล้วมันไม่กลับไปหาสิ่งที่มันเคยทุกอีกแล้วเหมือนกระควายที่มันถูกเจนถูกดุถูกเจนถูกดุบ่อยๆเข้ามารู้ว่าทางที่มันไปเน่ยมันไม่ดีหรอกมันเจ็บตัวโยกกินตรงเนี้ยที่อกว้างฝังสบายๆไม่เดือดร้อนทีหลังตอนนี้มันมันไม่ไปไหนมันไม่เกณเลยมันไม่ตายไปหาเรื่อง ให้เราต้องเลืออร้อนเรานั่งนอนสบายไหมสบายและมีเวลาทำอย่างอื่นที่เราอยากทำได้มากขึ้นไหมมากขึ้นข้อนี้ฉันใดเมื่อเราจกสิทธิีแล้วย่อมนำาป้าความสุขมาให้ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องคอยจดจดจ้องจ้องคอยดูคอยตำลาบคอยดึงคอยกดคอยสอน ถ้าจิตมันสามารถที่จะรู้และเข้าใจความจริงด้วยตัวของมันเองมันยันใจของมันเองเป็นมันมีเหตุมีผลก็มันในความเป็นจริงแล้วก็หยุดความทุกขของมันได้เองเป็นอย่างนี้เราสบายใช่ไหมสบายว่าถึงตอนนั้นเขาเรียกว่าผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วทรงเป็นกปกติคือ ท, ทรงฌานแล้วในผลที่ตนเองไม่ต้องก้าวลวงเข้าไปบังคับบัญชาไม่ต้องไปพยายามพิก เอาเหตุเอาผลเข้าไปสั่งสอนมันอีกไม่ต้องคอยใช้สมาธิเข้าไปกดมันมันสามารถจะดําเนินด้วยตัวของมันเองในการคิดเป็นเข้าใจเองเป็นหยุดอารมณ์ในตัวของมันเองเป็นนั่นแหละเขาเรียกว่าผลของจิตได้มันเกิดขึ้นแล้วมัดคือทางเดินเมื่อตอนที่เราพยายามถือเชื่อที่มาร้อยจมูกควายนี่คือมัด ที่พยายามที่สอนมันเตือนมันแล้วก็ดุคมันกระชากมันบ่อยๆนี่คือมัคที่เรากาลังเจ็บอยู่จะ่เาปล่อยให้มันไปที่เราจังชัางใช้เสียงดุมันอีกก็ยังเป็นมัคอยู่ยงกว่าเราไม่ต้องจัดอะไรแล้วและไม่ต้องพูดอะไรมันต่อไปแล้วมันอยู่เข้ามาในที่ที่มันไม่เดือดร้อนแล้วคือมันไม่ตามได้ถึงสิ่งที่เป็นทุกข์อีกแล้วแต่มันจะอยู่กับสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่ทํำให้ใจของเขาเป็นสุขคือเธอทำ ทำือตามรู้ในสิ่งที่ตัเองยอมรับนับสีมันก็มารักษาใจของเขาแล้วพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมยกตัว อ, อย่างให้ฟังเป็นเรื่องประกอบนะเธอเจอได้คิดง่ายๆขึ้นมั่นยามที่เธอรู้ว่าเราเป็นคนไม่มีสิน เมื่อเราได้ยินได้ฟังว่าท่านพูดว่าคนทุกข์สินเนี่ยตายแล้วตกนรกเหมือนกับท่านที่เป็นโจรไม่ใช่เป็นจะเป็ น, ปนโจรแล้วก็มาเป็นเพชฌฆาตที่ทุกวันก็ต้องเปือเอนนะเป้อนเลือดท่านทำเพชฌโจรทำมิจฉาโจรน่ะนะเปื้อนเลือดราบเลือดทุกวันไม่มีเวลาพักผ่อนถึงเวลาก็ต้องมีหน้าที่ไปบันคอ ให้หลุออกจากบาปทหารชีวิตนักโทษทุกวันจนอยู่มาอยู่ไปท่านไม่มีเรี่ยมแรงพอจะฟันให้คอขาดสะ บ, บ้านได้เขาก็ปลดท่านออกมาก็าได้รับเ้าเรียกว่าเลสามดาสักได้รับสวยได้รับเป็นอนุเสธชีได้เป็นข้าพดีผู้มีทรัพย์พอสมควรชีวิตจะไม่เคยได้กินอาหารดีๆไม่เคยใส่เสื้อผ้าดีๆถ้าใส่เสื้อผ้าดีดี๋ยก็จะเกิดเลือด กม็มีโอกาสได้ใสอาหารที่ดีก็ ม, มีโอกาสได้กินเพราะไม่มีเวลาจะกินท่านไม่มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วไม่ต้องไปทําหน้าที่ของท่านต่อไปแล้วลูกสาวก็เลยไปทําอาหารอย่างดีเขาเรียกข้าวมัททุก ป, ปายาติเป็นข้าวที่มีราคาแทงข้าวที่ทําได้ยากมันต้องเก็บเม็ดข้าวที่มันยังเป็นโล่งอ่อนๆที่มีน้ําน ม, มาเอามาคั้นในจำนวน ม, มากๆแล้วก็มาทําให้มันหอมกลุ่นผสมน้ํำซุ้งอย่างดีอย่างนี้เป็นต้น ทุกข้าวหลายอย่างจะมีกลิ่นหอมทานและจะมีรสชาติติดลิ้นอร่อยอร่อยท่านจำพิเจรก็ได้มีโอกาสได้กินกับมื้อนี้แหละแต่ เ, เสื้อผ้าดีๆีสวยสดงดงามสะอาดสะอ้านวันนั้นเป็นวันแรกที่ท่านจะได้กินอาหารที่อร่อยโชครายหรือเปล่าก็ไม่ทราบหลวพ่อพระสารีบุตรท่านเดินมีกระบาดมาพอดีท่านจำพิเจรก็คิดว่าเราเนี่ย ไม่เคยเลยที่โอกาสได้ทำบุญมีแจ่ถือมีดแล้วก็ช่วงปั่นลงไปในคอของคนให้ขาดสะบันเป็นอย่างนี้มานานหลายปีและสมัยเป็นโจรก็ไม่เคยสร้างตามดีอะไรแต่ที่มีโอกาสด้มาเป็นก็จะฆ่าได้ก็เพะเขาเว้นว่าท่านน่ะสามารถฆ่าโจรห้าร้อยตายได้สหารได้เพะนักโทษ ไปแค่เจ้าแพทคนเดิมไม่กลาา้าฟันเขาก็เลยให้คนในนี้ทั้งหมดที่เป็นเกริญการและอาสาคนนั้นรอกท่านเคยรับอาสาก็เลยรอดไม่ตายมาถึงเวลาที่ท่านจะได้ฉันทานอาหารอย่างสบายหลวงพ่อพระอาาริ์ได้ธธบทท่านกระเบียนบัตรหมาพอดีให้ก็เลยคิดว่าเราไม่มีโอกาสได้ทาทานจึงนดมนตไปเดินออกไปรับบาตเข้ามาแล้วจะเอาอาหารที่ ลูกสาวเนี่ยทําให้นะใส่เป็นในบาปทั้งหมดแล้วก็ในมลหลวงพ่อพระสัตรีบทนั้นฉันหลวงพ่อพระสัรีบทท่านกรนั่งฉันนั่งไปงท่าจนจำพิจารณ์ก็มองไปมองไปน้ําลายไปหยดติงตงิอยากกินนะอยากกินเหมือนกันทรก็ทํายังไงได้นะอยากําบุญมากกว่าหลวงพ่อพระสัรีบทท่านรู้ใจท่าก็เลยบอกว่ า, าท่าจนจำพิจารณ์ นี่ท่านให้เราแล้วใช่ไหมเป็นของเราใช่ไหมท่านก็บอดไส้พรัสนั่นก็เป็นของเราท่าเอาจานมาเอาชามมาท่านก็แบ่งเอ้าเอาไปทานต่างองค์หนึ่งก็ฉันอีกคนหนึ่งก็กินนะคราวนีความชุ่มชื่นใจว่าปาแมตาปาณีของพระตาได้บุตรทาให้ท่านตัดเพื่อนผู้มีศีลศรีอยู่แล้วนี่นก็เกิดความชุ่มชื่นใจพอท่านปั่นเสร็จป๊บ ก็ตาม ร, รมเนียมศักก็ต้องให้ถอนท่านก็แสดงธรรมเทศนาตปอท่านตำพิจารจนว่าบุคคลที่ปุกุินฆ่าศับประชีวิตื่อตายจากความเป็นคนแต่ต้องตกมนโรคขมนั้นหมดจากขมนั้นออกขมนี้มยมโลกีมีบริวารอีกสี่ขมนั่นคือขมที่เรียกขมแปเกแย่ขมบริวาร น, นะไอขมแถมนนะ ถ ate, ke, ้าเป็นสาญชีนรกนั่นคือเศษของกำลังเล็กๆไมน้อยในกรรมบทสิบตกอยู่ที่นั่นก็ห้าร้อยปีชีิตวันเดียวของเขาเก้าล้านปีของเราในโลกมนุษย์จะตกลึกไปกว่านั้นก็ไปอยู่ขุมนั้นขุมใหญ่ออกจากขุมใหญ่มาเยโมโลฟีอีกสิบขุมพอจะหมดจัดนี่ไปแล้วมาเป็นเปลกมดจะเปลอกมเป็นอสุรกายมาจะอสุรกามาเป็นสัตเลื้อานล่อกข้ไปเรื่อตั้งสิจังใจตั้งเลยนะ ฟัางายฟังไปจะเหือแตกเหือแตกจะเขื่อใหญ่เลยนะหน้าตาที่เสียวหลวงพ่อวัดสาได้ถูกกระถามว่าท่านเป็นอะไรทําไมาเหือแตกการขนาดนี้ก็บอกกะทีพักคุณเจ้าเจริญผมเท่านั้นแหละครับอ่าท่านก็เลยเออกอิบายลทำเพื่อไม่ให้ท่านเอาจิตไปเกาะสิ่งที่เป็นโทษมาก่อนมีจําไว้นะ การที่พระพุทธเจ้าสงสัยว่าสิ่งที่เลวร้ายมาแล้วได้ทำตามชั่วมาแล้วอย่าตามนึกถึงมันสําคัญแล้วพ ร, ะระาะว่าท่านได้บทท่านเห็นว่าจิตของท่านกําลังเศ้าหมองในสิ่งที่กลัวหวรวบผลตามชั่วที่จะให้ผลนี่จิตอสตตะเกิดแล้วใช่ไหมเริ่มละอายเล่นกลักวก่อสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะเ่านเชื่อระษาได้บทเพระทานรู้ภาษาไดบทท่านเป็นพระอรหรันต์เพ ร, ะระาะภาษาได้บทท่านเป็นพระอรหรันต์คู่ต้องจริงแน่นอนท่านเชื่อว่า ตายคาเป็นคนชาตินี้ท่านต้องตกนรกคุมนั้นออกคุมนี้เป็นเตะไปนย่นนี่นี่เนี่ยเสร็จแน่ล่ะเราเจแน่งานนี้ไม่รอดแน่หลวงพ่อพระส า, ารีบทถึงก็เลยพูดว่าท่านทําอย่างนี้มาหรือรู้ป ร, ระการถามนะอแต่กระบอกที่พระคุณเจ้าเดตัวกับผมเนี่ยทั้งหมดเลยครับผมสมัยก่อนก็เป็นเจ้าค่าคนสินห้าทุกข้อผมทำเรียบนะ และหนําทั้น้งฆ่าคนทุกวันทุกวันวั น, ว น, วนละต้องหลายคนอย่างนี้ผมไม่มีโอกาสไปสวัสดีตกนรกแน่นอนหลวงพ่อพระตาฤาก็ได้เลยตร้างอบายทาว่าท่านตัมพิษะโจนถ้ามีเศรษฐีผู้หนึ่งเนี่ยให้ท่านทํานาเนี่ยถ้าจ้างท่านไปทํานาท่านจะลุกจ้างเขาแล้วไปทาํานาพอทํานาเสร็จได้ข้าวมาข้าวนั่นเป็นของใครอ่า การตัง้งพิฆาจงก็คิดว่าข้าก็จะเป็นของเศรษฐีที่ขอรับเอพอท่านฟังนี้ท่านใจฉลาดเลยแวะขึ้นมรในใจทุกเฮ้ยอย่างนี้บาปกรรมทั้งหลาก็ตกที่พระราชา เ, าเราไม่บาปก็พระราชาเป็นคนสั่งให้เราไปฆ่าอกรรม ท, ทั้งหลาก็ตกที่พระราชา ถ้าจะได้คลายใจคราวนี้นหลวงพ่าพระสารีบุตรก็เลยเทศต่อเรื่องอานิสงส์ของศีลว่าศีลนี่ยถ้าปฏิบัติได้แล้วจะมีพวกข้ัพท์มากจะมีความสุขจะสามารถสุดค้นจะความทุกขได้ไม่ยากจงตั้งจิตตั้งาการรักษาศีลห้าให้ครบนะคนละมันกลัวนรกแล้วเนี่ยพอเขาพูดว่าอานิสงส์ของศีลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จะได้ไปสวรรค์เป็นอย่างน้อย ถ้าเกิดมาใหม่ก็จะเป็นคนที่คนรูปเรลียวงดงามอย่างนี้เป็นต้นจะมาหไม่ขาดสติก็จะมีรูปร่างงดงามมีตามไม่ตานี่งทับก็จะไม่มาลายสายขึย้นไปคนที่ใต้ประคองก็จะว่าง่งงายสอนง่ายจะไม่มีใครกต่าววาจาให้ทําให้เรารู้สึกความติดทุกข์ใจเลยเราก็จะไปเป็นคนที่ขาดปติปันเปือนอย่างนี้พอท่านเห็นประโยชน์ทับชะตาจรารัสตาจริงๆจั ง, จ ง, จงว่าผมเอาแน่ครับ ผมรับการแบบนี้เป็นต้นไปผมจะรักษาเป็นห้าอย่างบริสุทธิ์ใจแต่ก็บอกว่าศีนี่ยพราพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานตามบั่นคงในพระราชานุาัยขั้งกระจกูกเพราะว่าท่านตรัสรู้หลวงพ่อพระสารีบุตรหมดแล้วนั้นเรียกพระราชานุสัยที่จริงเชื่อแต่หลวงพ่อพระสารีบุตรก็ไม่ไม่ได้แค่ถึงเท่านี้ก็ยังพูดต่อไปในเส้นทางของคนที่ปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันคือยอมรับกฎของธรรมดายอมรับกฎของกรรม ความตายอย่าได้ประมาทในชีวิตให้ไปยังคิดเสมอว่าเราต้องตายเดี๋ยวนี้ชีวิตมันได้มีความหมายความตายเกิดขึ้นแน่นอนเพราะท่านจะปฏิบัติของท่านอย่างนี้ใจเนะ่ยปักแล้วไม่เปลี่ยนแต่ไม่หวนกลับไปหาที่เดิมไม่คิดถึงอีกแล้วในสิ่งที่ผ่านมาจะไม่อดีตจบไปแล้วไม่ตามนึกถึงสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วตั้งใจนึกถึงความดีอย่างเดียวเราจะทำความดีเพื่อพ น, นรก เราจะรักษาสิ่งขอเราให้เคร่งครัดเราจะไม่ประมาทในชีวิตนี้ถึงตามตายเป็นปกปติเราจะเคารพสิ่งไหนพระพุ จ, จะเจ้าพระธรรพระอริยสงฆ์ว่าตามทุกข์ทาไหนเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีแดนใดจะเป็นสุขเท่าพระนิพพานจิตไม่จับอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์เดียวเพราะว่านี่คือใจมันจะเห็นความสุขก็ทําทอย่างนี้อย่างเดียววันคืนล่วงไปก็มีแต่จิตที่ทําอย่างนี้ท่านมีโอกาสไปไปไวัดไปถวายทานก็ทําทบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตามเป็นพระโสดาวันก็สื่อถึงกับท่าน เอาใบายวตัก็เป็ดเด็ดขาดเข้าใจไหมจ๊ะนั่นสิ่งที่พระ้งท่านแสดงมาให้เจได้พิจารณานในเบื้องต้นว่าจริงจงอย่าได้ทำตามนึกถึงสิ่งที่นํามาซึ่งความเศร้าหมองมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปแก้ไขมันผ่านไปแล้วให้ตั้งใจทํำตามดีพยาักษาจิตใจของเราให้โปองใสทําอย่างนี้เถอะ ทำหเหม่อหงั้นท่านจำที่จะจำที่กระโจนท่านทำนั่นแหละปฏิบัติเอาท่านเป็นแบบเป็นอย่างก็ได้เราจะได้เจริญตอนเดือเสมอว่าเออเราจะนึกถึงมันทําไมในสิ่งที่เป็นสัญญาเก่าเก่าความจำเก่าเก่าเรื่องราวเก่าเก่าดึงขึ้นมาให้เศร้าหมองดึงขึ้นมาให้เสียใจดึงขึ้นมาหาเหตุหาผลเพื่อจะให้มันเกิดอะไรขึ้นมาเรากลับไปหาพระพุทธเจ้าไม่ดีหรือแล้วกลับมาปาวนาไม่ดีกว่าหรือ แล้วไม่กลับมากลับมาทบทวนสิ่งที่ขาวบทที่เราตั้งใจงรักษาไม่ดีกว่าหรือในเส้นทางที่เราจะไปนิพพานเราเป็นนางเดินไปไม่ใช่หรือเราจะย้อนกลับไปทําไมอย่างนี้เป็นต้นการเตือนใจเราบ่อยๆบังคับใจเราบ่อยๆเตือนใจเราบ่อยๆเข้าไม่นานนะมันก็จะเกิดมรรคผลตามเป็นอริยะตุวคนในพระศาสนาขึ้นที่ว่าอวบั ย, ยภูมิ ก็จะไม่ทําให้เราต้องตกล่นลงไปหามันเราก็จะมีสวรรค์เป็นอย่างเรวที่สุดมีที่พานเป็นที่ไปเป็นของไม่ยากนะนั่สิ่งที่เราได้แนะนําเจอทั้งหนมาในวันนี้ก็ขอให้เธอจงถือเอาว่าเป็นคําแนะนําที่พระท่านประสงค์ให้เธอทุกคนได้รู้จักระงับรู้จักหักห้ามรู้จักยับยัง้งในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ คือสัญญาเดิมๆความจำเดิมๆสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของเราจะไปตามคิดค้ยหามันเลยจงตั้งมั่นมองไปสู่เบื้องหน้าว่าเราต้องการปฏิภาณเป็นที่ไปตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังเอาแน่เอาแน่แน่ไปแน่ แ, แน่แล้วก็ทําแน่แน่ทำใจให้ได้อย่างท่านจําพิตาจดมนันเป็นอย่างน้อยจะได้ขึ้นชื่อว่าเราเนะี่ยเป็นผู้ที่ได้าพากตามดีเป็นผู้ที่มีตามามั่นคงใน คงถ้าเกิดถ้าินนาำสีบรมาาาสาสดาอย่างแท้จริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนเราต้องปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติก็ถือว่าเรายอมรับนับถือพระองค์ไหมยอมรับนับถือพระองค์แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็าต้องถือว่าเรายังไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นปรณะณาที่ขึ้นของเราเในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางแห่งควาพมพ้นทุกข์ให้กับเราแล้ว ต้องชี้ว่าสิ่งที่เป็นพุทธประชี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นคนก็ชี้ให้เห็นเหตุดัชนีตั้งหลายก็ชี้ให้เกิดความให้ควรพิจารณาเพื่อสามารถจะมองเห็นตามความเป็นจริงและตัดสินใจได้ดังนั้นคนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จึงหาประมาณไม่ได้สําหรับเราถูกต้องไหมเราต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจังใช่ไหมไม่ใช่ก็น้อมใจเข้าไปกราบขอบคุณครับท่านนะ จะเล็ด็ดถึงพระพุทธเจ้าระล็ดเล็ดถึงพระธรรมคำสั่งสอนระเลึดเล็ดถึงคุณของพระอริยสงทั้งหลายครูบาอาจารย์สืบกันมามินลปู่ปานปตวันนงนมโคมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อราชพรฯฯมายาณเป็นที่สุดทักครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อบรมสั่ง ส, ส อ, ง อ, งอนเรามามากมายหลายท่านหลายองค์ก็ตามกราบขอบพระคุณท่านกราบขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อฟังคำสั่งสอน แล้ไม่เป็นนาคําตั้งสมมาปฏิบัติเป็นจริงเป็นจันไม่ยักยังตั่งใจพลอยถูกต้องตา ม, ตามวิถีทางแห่งการปจะจดดิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้แล้วก็ขอเข้ามาจาพระองค์ท่านวันนับจากบัดนี้เป็นต้นไปลูกจย่าะระวังสำรวมสติสัมปัชัญญะเตนตนไม่ให้คุณคิดในสิ่งที่ผ่าน ม, มาแล้วที่เป็นอดีตนํามาเชื่อมความสมอง ขอตั er しし้งจิตมั่นจะกระทําไปสู่ความเบื้องหน้าแห่งอริยมรรคอริยผลแห่งความเป็นอริยะบุคคลในพระศาสนานี้ให้จงได้ในภาตปัจจุบันขอบารมีขององค์เสด็จพระรงทันบรมศาสดาจงเป็นประธานแห่งกําลังใจของกมอมฉันขอบารมีทั้งสามติดทัดที่มีอิจิตบารมิตาจิงษาอิจิสัพพัญยุมคคตาอิจิตโพธิมนุปปโต ปีกปิโสจั ด, ด เ, จเตนนะโมจงคอบคุงเกล้ากระหมอ่อมของข้า พ, พุทธเจ้าอยู่ทุกเมืองวันทุกเวลานาทีให้กำลังขององค์เศรษฐกิจนาศิบรมมาสัตย์สดาที่มีกำลังใหญ่ปกต้องคุ้มครองรักษาดวงจิตใจของข้า พ, พุทธเจ้าไว้ให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญให้มีกำลังปัญญาเป็นเครื่อรู้แจ้งแทงตลอดปัจจิกิเลสเป็นสมุทเถรจตระหรัน เข้าถึงอริยมรรคอริยผนในภาพปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วง่ายดายโดยเฉียบันเดินทีในภาพปัจจุบันได้ทัน<ม>ตั้งใจเชื่อถขรเวกันนะ <c oughs> อีกทางวรยะพลังว <c oughs> ละปุนใด <c oughs> ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ได้บำเพ็ญแล้วพ้ะโอกาสนี้ขอทิศส่งผลนี้ให้แก่ท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยโลงเตินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งแต่ปัดจี้ กราบเาเ้าสู่พระนิพพานและขอที่สงฆ์คนนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาพระเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายที่สาคนละทิพยภพนักยาญมราชขอเจ้าพเจ้าทั้งหลายนัยญาญมราชที่โปรดโมชนา จะตเป็นสักขีพยามในการบรรเทิงกุศลของขา้าพเจ้าในครั้งนี้ด้เถิดและขอทิศกุศล น, นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เฉลิมความสุขอยู่ก็ดีเฉลิความทุกขอยู่ก็ดีปดเป็นญาติก็ดีวิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้ ง, งหลายจงโมทานาเพื่อได้รับประโยชน์ ความสุขเปนเดกับข้าพเจ้าจะถึงได่รับจนการรบัดเดี well, ی, ๋ยนี้เถิดผลละุนใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วณโอกาสนี้ขอผลละบนนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตปัจจุบันได้เกิน อยากทราบว่าหากเราตรึกประเด็นติสักครั้งเอวะเมวะอิโตจินังเตตานังอุปคัปปะติอิสิตังปะสิตังจุมหังคิปะเมวะจามิสตะโตตัธเรนตะตังกัปตาจันโทปนระโทยัชฌาปนิโสติระโทยัชฌาสัททีสิโยวิวัน กัปโรโกวินาศตุมาเตปวันบันตราโยสุขีที่ขายุโกภวอภิวาชนะเสียร์สันิจังวิทาปจายโนจัตตารโอธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังภะหลังอรหังสมาสัมพุทโกวา ต e ัตังทกตะวันตังอภิวาเทมิตัวัสตโตทกตะวตาตโมตัมมังนามาตถิมิตุปติปันโนทกตะวโตทกวะตาสังโฆตั้งขังนัมามิ นานาทุกคนนะขอตัดตปก็เดินทางปลอดภัยนะไปรวยให้กัน อ, อกกันใจกันเลยนะ